เจรพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9พฤศภาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบาเพ็ญบุญกุศลที่เป็น ปัจจัยที่สำคัญต่อความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตบุญแปลว่าความอิ่มความสุขใจความอิ่มใจกุศลแปลว่าความฉลาดบุญก็ได้จากการให้ทานรักษาศีลกุศลก็ได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรม เพราะเวลาฟังทำแล้วจะได้ความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนจะทําให้เราฉลาดจะจาให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องสิ่งที่พระพุทธเจ้า ส, สอนให้พวกเรามีความถูกต้องอยู่แปดประการด้วยกันถ้าเรามีความถูกต้องทั้งแปดประการนี้ เราจะอยู่อย่างปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและจะมีความสุขและความจเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวความถูกต้องข้อแรกท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ก็คือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเรียนว่าตายเกิดมีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ตายแล้วไม่สูญตายแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรายังไม่มีความเห็นนี้อยู่ แสดงว่าเรายังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องถ้าเรายังเห็นว่าตายไปแล้วศูนย์บาปไม่มีบุญไม่มีคือผลของบาปผลของบุญไม่มีหมายถึงไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกตายแล้วไม่ต้องไปเกิดใหม่อย่างนี้เรียกว่าเป็นความเห็นผิดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกลงจักเป็นดอกบัว เราต้องพยายามสร้างความเห็นให้ถูกต้องวิธีเดียวหรือวิธีที่ดีที่สุดก็คือการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ทาทุกบททุกบาทออกมาจากความถูกต้องออกมาจากความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้ว พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่สอนว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์หรือภาษาของพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดไม่มีคาสอนของท่านเหล่านี้ที่จะขัดแย้งกันเลย ดังนั้นพวกเราควรจะมีความมั่นใจได้ว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความสอนที่ถูกต้องและควรยึดเป็นคาสอนสอนใจเราให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือข้อที่หนึ่งคือความเห็นที่ถูกต้องข้อที่สองคือให้มีความคิดที่ถูกต้องคือความคิดของเรา ต้องไม่ขัดกับความเห็นที่ถูกต้องเช่นถ้าเห็นว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกเกิดจากการทําบาปสวรรค์เกิดจากการทําบุญเราก็ต้องไม่ทําบาปเพราะเราไม่อยากไปนรกกันเราต้องทําบุญเพราะเราอยากจะไปสวรรค์กันเพราะสวรรค์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ ส่วนนรกนี้มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขนี่คือความคิดเราต้องคิดให้ถูกต้องคือคิดไม่ทำบาปคิดแต่จะทำบุญนี่คือความหมายของความคิดที่ถูกต้องข้อที่สามท่านบอกว่าให้มีการกระทำที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้อง คือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงความคิดของเราก็จะคิดแต่ธรรมบุญจะละบาปการกระทำของเราก็จะเป็นการกระทำต า, ตามความคิดตามความเห็นนี้คือเราจะละบาป ค, คือเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เช่นสุรายาเมาการเล่นการพนันการครบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียจคร้านนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไม่ทํากันถึงจะเป็นการกระทําที่ถูกต้องการกระทําที่ไม่ถูกต้องก็คือการกระทําที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเวณีไม่เสพสุรายาเมาไม่เล่นการพนัน ไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่มีความเกียรติกรานนี่คือการกระทำส่วนข้อที่สี่ท่านว่าการพูดที่ถูกต้องคืออะไรก็คือการพูดที่หนึ่งไม่โกหกสองไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาไม่พูดส่อเสีย ยุยงให้เกิดความแตกสามัคคีนี่คือคำพูดที่ไม่ควรจะพูดเป็นความพูดที่ไม่ถูกต้องเป็นความพูดที่ผิดเราจึงต้องละการกับพูดคำพูดเหล่านี้ไม่พูดคำเท็จเพื่อพูดแต่ความจริงไม่พูดคำหยาบ ก, ก็คือพูดด้วยวาจาที่สุภาพ ไม่พูดเพ้อเจ้คือไม่พูดเรื่องไร้สาระต่างๆเรื่องลินทากาเลให้พูดเรื่องที่มีสาระเช่นพูดเรื่องวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาได้ร่ำเรียนมาพูดเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะเรียกว่าเป็นการพูดที่ถูกต้อง ข้อที่หคือการมีอาชีพที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพอาชีพที่เป็นอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการมีอาชีพของเราทำอะไรก็ได้ แต่มีอาชีพที่ไม่ควรทำอยู่คือไม่ควรมีอาชีพค้าขายสุรายาเมายาเสพติดเพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นขายยาขายสุราให้แก่ผู้อื่นไปดื่มก็จะทำให้เขาเกิดอาการนุนเมาขาดสติและจะทำให้เขา ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นขับรถไปประสบอุบัติเหตุหรือถ้ามึนเมาแล้วก็จะไม่มีสติประคับประคองอารมณ์จะทําให้ไม่สามารถยับยั้งความโกรธความไม่พอใจแล้วก็จะไม่สามารถยับยั้งการทะเลาะวิวาทการทุบตีกันหรือการฆ่ากัน นี่คืออาชีพที่ไม่ควรจะทำถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้กระทำการเบียดเบียนโดยตรงแต่อาชีพของเรานี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้อื่นเขาได้รับการเดือดร้อนยังไม่ควรทำอาชีพค้าขายสุรายาเมายาเสพติดหรืออาวุธต่างๆ หรือสารพิษต่างๆหรือกับดักสัตว์ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่การเบียดเบียนนําไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสอนไม่ให้มีอาชีพเหล่านี้มีอาชีพอื่นอีกมากมายที่เราสามารถทํากันได้เป็นครูเป็น เป็นพยาบาลเป็นแพทย์เป็นพ่อค้าขายของที่มีคนมีประโยชน์อย่างนี้ก็จะเป็นสัมมาชีพข้อที่หกท่านสอนให้มีความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องนี้ก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือขยันให้ สร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่ได้สร้างให้มีขึ้นและให้สร้างบุญกุศลที่มีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้นไปข้อที่สองให้รักษาบุญกุศลที่มีอยู่แล้วให้คงไว้คือไม่ให้หายไปเช่น เราเคยมาวัดเป็นประจามาทำบุญเป็นประจาอาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรือสามครั้งเราก็ทํารักษาเอาไว้อยากขาดมาให้เป็นประจำหรือจะมาให้มากขึ้นก็ยิ่งดีใหญ่ถ้าเราไม่เคยทำบุญอย่างอื่นเราก็ควรที่จะทำเพิ่มบุญหรือทำให้มากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นความ ขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องอส่วนข้อที่สองข้อที่สามก็คือให้เพียรพยายามละบาปที่เรากำลังทำอยู่ที่เรายังติดนิสัยกับเราอยู่เช่นเรายังชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังพูดปดยังเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนมีความเกียดคราน เราก็ต้องพยายามกำจัดมันคืออย่าไปทำมันอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปลดมดเด็ดอย่าไปเสพสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการปรนันคบคนชั่วเป็นมิตรหรือมีความเกียดคร้านนี่คือสิ่งที่เราต้องชำระกันต้องพยายามกัน ต้องมีความภาคเพียนกันและข้อที่สีก็คือสิ่งที่เราได้ละแล้วสิ่งที่ไม่ดีที่เราได้ละแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้คืนกลับมาอีกเหมือนเรารักษาโรคหายแล้วเราก็ต้องป้องกันไม่ให้โรคนั้นกลับมาอีกด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานยาตามที่หมอสั่ง แล้วเราจะได้ไม่มีโรคกลับมาเบียดเบียนเราอีกนะการกระทําบาปที่ไม่ดีต่างๆถ้าเราละได้แล้วเราก็อยากกลับไปทําอีกเช่นเราไม่พูดปดแล้วเราก็จะไม่กลับไปพูดปดอีกเราไม่ประพฤติผิดประเวณีแล้วเราก็จะไม่กลับไปประพฤติผิดประเวณีเราไม่ดื่มสุรายาวเมาแล้วเราก็จะไม่กลับไปดื่มอีก นี่คือความเพียงสี่ประการด้วยกันที่เราควรที่จะเพียงพยายามกันข้อที่7ท่านสอนให้เรามีสติที่ถูกต้องคือให้มีสติอยู่กับกายวาจาใจของเราให้เรามีสติเป็นยามคอยเฝ้าดู การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจว่าไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าเราคิดจะไปทำบาปถ้าเรามีสติเรารู้เราก็หยุดได้ถ้าเราเผลอคิดแล้วกำลังจะไปทำบาปเช่นกำลังจะไปประพฤติผิดประเวณีหรือไปดื่มสุรายาเมาถ้าเรามีสติรู้ว่าเรากำลังจะทำ เราก็ยังหยุดได้ถ้าเราไม่มีสติก็สายเกินไปดังนั้นเราต้องมีสติให้อยู่กับกายวาจาใจของเราอยู่ว่าให้คอยเฝ้าดูว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังทำอะไรทำบาปหรือทำบุญพูดดีหรือพูดไม่ดีคิดดีหรือคิดไม่ดีนี่คือคำว่าสติ ที่ถูกต้องต้องเฝ้าดูตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นก็ดูเลยว่าเรากำลังจะคิดอะไรเรากำลังจะทำอะไรให้เรามีสติอยู่กับการกระทำของเราพอเราลุกขึ้นเราก็ต้องรู้รว่าเราลุกขึ้นแล้วเรากำลังไปทำภารกิจอะไรเราก็ให้เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะได้ไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่จะสร้างความเสียหายให้กับเรานี่คือความมีสติที่ถูกต้องข้อที่8คือการมีสมาธิที่ถูกต้องคำ ว, ว่าสมาธิก็คือให้มีจิตตั้งมั่นให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ไหนก็ให้ตั้งมั่นอยู่ที่ความสงบนี่เอง เวลาจิตสงบแล้วจะมีความสุขเวลาจิตไม่สงบจะมีความทุกข์เวลาจิตไม่สงบก็เพราะจิตมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเราจึงต้องพยายามทำสมาธิอยู่เรื่อยๆทำจิตให้สงบถ้าเราชอบบริกรรมพุทธโธเราก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเวลา เกิดความโลภขึ้นมาก็อย่าโลภตามให้บริกรรมพุทโธไว้เรื่อยๆอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้หรือเวลาเราโกรธก็อย่าไปคิดถึงคนที่เราโกรธหรือเรื่องที่เราโกรธให้คิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธเรื่องที่ทำให้เราโลภเรื่องที่ทำให้เราอยากได้ ถ้าเราบริกรรมพุโทโธไปได้ทั้งวันรับรองได้ว่าใจของเราจะมีความสงบมีความเย็นทั้งวันลองทำดูได้มากได้น้อยก็ลองทาดูถ้าเราไม่ชอบบริกรรมพุโทโธจะนับหนึ่งสองสามก็ได้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิด เรื่องที่ทำให้เราเกิดความโลกเกิดความหลงเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาที่เรามีความหลงนี้เป็นอย่างไรก็เวลาที่เรามีความกังวลใจนี้แสดงว่าเรากำลังหลงแล้วถ้าเราห่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา กลัวว่าเขาจะจากเราไปแสดงว่าเราหลงแล้วเราไม่รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าเขาเกิดมาแล้วต้องตายจากเราไปสักวันหนึ่งไม่ไม่เราตายจากเขาไปก่อนเขาก็ต้องจากลราไปก่อนถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้อง รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเราก็จะไม่กังวลกับใครใครจะตายใครจะอยู่จะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาวิตกกังวลกันแต่อย่างไดแต่ถ้าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีความเห็นผิดเคย อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆาอยากจะให้เขามีความสุขนี่เป็นความเห็นผิดเพราะเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครอยู่ไปได้ตลอดและไม่มีใครอยู่โดยไม่มีความทุกข์ทุกคนนี้อยู่แล้วต้องมีความทุกข์ด้วยกันทุกข์ที่เกิดจากความแก่ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลา จากของรักของชอบนี่เป็นสิ่งธรรมดาเกิดมาอยู่ในโลกนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะไม่กังวลเราก็จะไม่หลงเราก็จะปล่อยวางเขาไดา้ปล่อยให้เขาอยู่ตามบุญตามกรรมไป มีสิ่งไหนที่เราพอจะช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทำอะไรเลยให้ทำถ้าเขาไม่สบายเขาไม่มีปัญญารักษาตัวเรามีปัญญาช่วยเขาได้เราก็พาก็ไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลออกค่าใช้จ่ายค่ารักษาดูแลให้กับเขาไปให้หมอทำอย่างเต็มที่ แต่เมื่อหมอทำอย่างเต็มที่แล้วเขายังไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ก็ต้องทำใจต้องปล่อยวางทำใจให้สงบคือต้องพิจารณาหรือท่องไปในใจว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราท่องอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว ใจของเราก็จะเป็นสมาธิจะตั้งอยู่ในความสงบจะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่วุ่นวายใจจะไม่เดือดร้อนใจนี่คือมีการมีสมาธิที่ถูกต้องก็คือให้มีสมาธิอยู่ที่ความสงบการจะมีความสงบได้ก็ต้องอาศัยการบริกรรมพุทธโธคือควบคุมความคิดของเรา ไม่ให้คิดไปในเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาให้บริกรรมพุทธโธไปหรือให้สวดมนต์ไปในใจไม่ต้องออกเสียงเวลาไม่เวลาโกรธใครมากๆก็สวด阿拉หังสัมมานโมตัสสะไปสวดไปนานๆแล้วเดี๋ยวความโกรธจะหายไปอย่างแน่นอนอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุบายของสมาธิ แต่ถ้าจะใช้อุบายของปัญญาก็ต้องใช้ความเห็นที่ถูกต้องว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่ต้องไปฆ่าเขาเวลาโกรธเขามากๆอยากจะฆ่าเขาอย่าไปฆ่าเพราะเราจะเดือดร้อนฆ่าเขาแล้วเราต้องหนีตำรวจและเราจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมเวลาตายไปเพียงแต่คิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดา เดี๋ยวเขาก็ต้องตายอย่างแน่นอนเราไม่ต้องไปเหนื่อยไปฆ่าเขาให้เหนื่อยเดี๋ยวถึงเวลาเขาตายแน่ๆไม่มีใครไม่ตายต้องคิดอย่างนี้คือเรียกว่าใช้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญานี้เองปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องคิดตามความความเป็นจริงถ้าเรามีปัญญาแล้ว เราจะสบายเราจะไม่ทุกข์กับใครทั้งนั้นใครจะทําอะไรกับเราหรือทํากับใครก็ตามเรารู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตายเราไม่ต้องไปฆ่าเขาแล้วละแล้วเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็ต้องไปใช้กรรมต่อไปต้องไปตกนรกต้องไปเป็นเปรตต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้าเขาทําบาปทํากรรมถ้าเขาสร้าง ความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่เราไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเขาไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นเหมือนเขาถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ไม่ดีกว่าเขาเวลาตายเราก็จะต้องไปเจอเขาอีกในนรกไปเจออีกในอบายดังนั้นเราต้องใช้สมาธิธหรือใช้สมาธิ ในการทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขเวลาใจมีความสุขแล้วจะไม่โลภ จ, จะไม่โกรธจะไม่โหลนี่คือสิ่งถูกต้องแปดข้อด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเจริญหรือบำเพ็ญกันให้มากมากการจะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็คือการฟังเทศฟังธรรม ฟังแล้วก็นำเอาไปคิดต่อวันนี้ได้ฟังอะไรก็ไปคิดต่อเอาไปทำการบ้านคิดอยู่เรื่อยๆเช่นคิดว่าบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากกันธรรมดาเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจ์ เราอยู่ในโลกของความทุกข์ไม่มีใครไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวความทุกข์เราสู้ความทุกข์ได้ถ้าเราไม่กลัวมันความทุกข์จะไม่มาทำให้เราทรมานใจถ้าเราไม่กลัวความทุกข์แต่ถ้าเรากลัวความทุกข์ยังความทุกข์ยังไม่ทันเกิดเลยใจของเราก็ทุกข์ไปก่อนแล้วเพียงแต่คิดว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องพิโกนพิการหรือต้องตายไปเท่านั้นเราก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวความทุกข์อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปมันเกิดที่ร่างกายเท่านั้นแต่มันไม่ได้เกิดที่ใจใจของเรายังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใจของเราไม่ได้เปลี่ยนไปกับร่างกายใจของเราเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้น ถ้าใจแล้วไม่กลัวความทุกข์ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวความตายไม่กลัวการพัดพรากจากกันใจของเราจะไม่ทุกข์อย่างแน่นอนใจของเราจะอยู่อย่างเป็นสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายนี่คือเรื่องของการมีความเห็นที่ถูกต้องต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง ฟังแล้วก็เอาไปสอนตัวเองเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆถึงจะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเห็นที่ถูกต้องอยู่กับใจตลอดเวลาความคิดของเราก็จะถูกต้องตามมาจะคิดแต่ทำบุญจะไม่คิดทำบาปเพราะรู้ว่าทำบุญนี่มีประโยชน์ทำบาปแล้วมีมีโทษตามมาจะคิดปล่อยวางจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไร เพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เราสามารถยึดติดได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดามีการพัดพรากจากการเป็นธรรมดาสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปร่างกายของเรานี้เราก็ต้องจากเขาไปอย่าว่าแต่ร่างกายของคนอื่นหรือสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในวันนี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปหมดแต่เราจากด้วยความสุขถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราเราจากด้วยความสบายและเราจากด้วยความกำไรก็คือเราจะได้ไปสู่ที่ดีกว่าก่อนเราจะได้ไปสู่ที่ไม่มีการแก่การเจ็บการตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีความทุกข์ถ้าเรา สามารถปล่อยวางได้ถ้าเราคิดปล่อยวางอยู่ตลอดเวลานี่คือความคิดที่ถูกต้องเกิดจากการที่มีความเห็นที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องก็เช่นเดียวกันก็เกิดจะตามมาการกระทําการพูดการมีอาชีพที่ถูกต้องการมีสติที่ถูกต้องการมีสมาธิที่ถูกต้องก็จะเป็นสิ่งที่ตามมา ถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างเสมอพระพุทธเจ้าจึงได้กำหนดวันธรรมสวัสดขึ้นมาวันธรรมะสวัสนี้แปลว่าวันฟังธรรมก็คือวันพระนี่เองในสมัยโบราณเขาใช้ปฏิทินทางจันทรคติเขาจึงมีวันพระตามวันขึ้นแรง ตามจันทรคติเช่นวันขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำวันแรง8ค่ำหรือวันแรง14ค่ำหรือ15ค่ำนี่คือสมัยโบราณแต่สมัยใหม่นี้เราไม่ได้ใช้ปฏิทินแบบนี้เราใช้ปฏิทินตามศุริยคติคือใช้ตามการหมุนเวียนของดวงอาทิตย์ เดือนนึงมีส0สิบวันและเราก็ใช้วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันพระวันโกนกันเราใช่วันเสาร์เป็นวันโกนใช่วันพระเป็นวันวันอาทิตย์เป็นวันพระกันดังนั้นเราจึงไม่สามารถมาวัดตามวันพระตามปฏิทินทางจันทลคติได้แต่เราก็ยังสามารถมีวันพระของเราได้ด้วยการกำหนด วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระเช่นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ญาติโยมมาทาบุญที่วัดกันวันนี้ก็เป็นเหมือนวันพระของญาติโยมที่ที่มีวันหยุดคือวันเสาร์วันอาทิตย์แต่สำหรับญาติโยมที่เขาสามารถหยุดตามวันพระได้เขาก็จะมาวันพระกันอยู่เช่นคนที่เขาทำมาหากินของเขาเองเป็นมีอาชีพ ของเขาเองมีร้านค้ามีไร่มีนามีกิจการของเขาเองเขาก็หยุดวันไหนก็ได้เขาก็จะมาวัดตามวันพระกันคือวันขึ้นแปดข้ามขึ้นสิบห้าข้ามหรือวันแรงแปดข้ามแรงสิบห้าข้ามสส่ข้ามเพราะว่าเขาต้องมาวัดเพื่อจี้จะได้มาฟังธรรมพราะการฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่า เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตกาเลนะธรมมะสวนาัปปตัมมังกาลุมตัมมังการได้ยินได้ฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลแก่ชีวิตคือมีอนิสองส์อยู่ห้าประการด้วยกันจะได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว เมื่อได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปจะได้กำจัดความลังเลยสงสัยได้จะมีความเห็นที่ถูกต้องและจะกาจัดจะมีจิตใจที่ผ่องใสจะจมีจิตใจที่สงบ น, นี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการได้ฟังธรรมมีความเห็นถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องการกระทาที่ถูกต้องมีการพูดที่ถูกต้องมีอาชีพที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องและมีสมาธิที่ถูกต้องถ้าเรามีความถูกต้องทั้งแปประการนี้แล้วเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเบียว่ายตายเกิดได้ สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวลกทั้งหลายก็หลุดพ้นด้วยความถูกต้องทั้ง8ประการนี้เองจึงขอให้พวกเราพยายามมาบำเพ็ญมาสร้างความถูกต้องทั้งแปดประการนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราจะได้กําไรจากการได้มาเกิด เป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันาสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ